ไม่ใช่หมายความว่าในฌานมีองค์ธรรมเพียงเท่านั้นอันที่จริงนั้นในฌานมีองค์ธรรมอื่นๆ อ, อีกมากมายดังที่ท่านบรรยายไว้ทั้งในพระสูตรและพระอริธรรมชั้นเดิมเช่นในอนุปัฏสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันาธากล่าวถึงฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากินจัญญาจตนะทุกชั้นล้วนมีองค์ธรรมเช่นฉันทะ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 มีข้อความสั้นๆตอนหนึ่งว่าบุคคลรู้จักกรรมที่ปรุงแต่งให้เกิดอากินจัญญายาตนะว่ามีนันธิเป็นสังโยชน ร, รู้จักอย่างนี้แล้วแต่นั้นย่อมเห็นแจ้งในอากินจัญญายาตนะนั้นคือย่อมมาเป็นวิปัสนาในอากินจัญญายาตนะนั้นข้อความตอนท้ายที่ว่าแต่นั้นย่อมเห็นแจ้งในอากินจัญญาญตนะนั้น คำภีจุลานิเทศซึ่งเป็นคำภีสั้นรองในพระไตรปิฎกอธิบายขยายความออกไปว่าหมายความว่าบุคคลนั้นเข้าอากินจัญญาจัตระนัแล้วออกจากอากินจัญญายัตนะนันั้นแล้วเห็นแจ้งธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลายซึ่งเกิดในอากินจัญญายัตนะนันั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ตอนที่เห็นแจ้งธรรมซึ่งเกิดในอกินจัญญาจตนะ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 สมาบับาาติที่เป็นบาตของวิปัสนาหรือชาณจิตที่เป็นบาตแห่งวิปัสนาทั้งนี้เรียกตามขั้นของชาสมาบัติที่เป็นบาตนั้นว่าทำปฐมฌานให้เป็นบาตทำทุติยะฌานให้เป็นบาตเรื่อยไปจนถึงทำอากินจัญญา ญ, ญ, ญา ต, Dass Dass Dass ตนะฌานให้เป็นบาตเป็นต้นหรือว่าวิปัสนามีปฐมฌานเป็นบาตวิปัสนามีทุติยะฌานเป็นบาตวิปัสนามีอรูปฌานสมาบัติเป็นบาตเป็นต้น ยิ่งฌานที่เป็นบาทสูงเท่าใดสมาธิจิตที่ใช้ทางวิปัสสนาก็ยิ่งประณีตมั่นคงมากขึ้นอยู่ในระดับของฌานสมมบัติที่เป็นบาทนั้นปัญญาที่เป็นตัววิปัสสนาก็อาจตุเรียกแยกเป็นขั้นๆตามฌานสัมบัติที่เป็นบาทเช่นเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาในระดับปฐมฌานหรือปฐมฌานวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นและมักคือการตรัสรู้ที่จะเกิดขึ้น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 ก็รับกันดีกับข้อความที่มีบ่อยๆในพระสูตรทั้งหลายว่าเข้าชานอยู่แล้วครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่อวิชาต่างๆซึ่งหมายความว่าอาศัยชานเป็นเครื่องทําจิตให้พร้อมก่อนแล้วจึงนำไปใช้งานท่านเรียกจิตเช่นนั้นว่าอภิณีหารคมะจิตที่ควรแกการนาไปใช้และจึงเป็นบาทหรือเป็นปัฏ ฐ, ฐานเพื่อได้ผลสาเร็จที่สูงยิ่ ง, งขึ้นไป พระอัตถกถาจารย์นับแจงตามข้อความในพระสูตรให้เห็นว่าจิตเช่นนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติ8ดอย่างคือสมาหิตะตั้งมั่นปริสุทธะบริสุทธิปริโยธาตะผ่องใสอนังคณะโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาวิกตูปกิเลสะปราศจากสิ่งมัวหมองมุทุภูตะ นุ่มนวลกรรมานิยะควรแก่งานทิตะอาเนชัปปั ต, ตักอยู่ตัวไม่วอกแวกวันไหวอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ฌานแล้วแต่ไม่ใช่ฌานเป็นบาตจะเจริญวิปัสสนาเพียงด้วยอุปจารสมาธิหรือขณิกะสมาธิเท่านั้นก็ยอมได้แต่จะมีสภาพเหมือนกับผู้ที่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่ได้ฌานมาก่อน ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป